สาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม0 2 5ย์ส9งห้าเสสสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิต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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เครอบพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันผนอด ร, รมเนียมอินเช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่24สิงหาคมค่ะชาวมืดวันนี้ที่ไหนฝนตกบ้างคะบางที่ก็ยังทราบข่าวความแห้งแล้งอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหาคนครนี่ฝนตกหนักมากมาสองสามวันแล้วแต่ก็ไม่ทุกพื้นที่นะคะอยากจะ จูงก้อนเมฆภูกแล้วก็ไปปล่อยตรงที่เขาอยากได้น้ำนะคะแต่มันก็คงเป็นเพียงความฝันเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำเลยแต่คนที่เขาอยากได้น้ำทำเกษตรกรรมไม่มีน้ำนะคะโอ้ธรรมชาติเอาคืนเราหรือเปล่ากับคนที่ไม่ได้เป็นคน ทำให้ธรรมชาติเสียหายเนาะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทำยังไงก็ได้คะ่ะที่จะคืนสิ่งดีๆสู่ชีวิตธรรมชาติด้วยกันนะคะเช้ามืดวันนี้ชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพรรณธ์ทำเนียมอินก็มาพบกับทุกๆ ท, ท่านนะคะพร้อมด้วยสาระเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตทั้งของไทยๆแล้วก็ของเพื่อนๆ เ, เราทั่วโลก วันนี้คุณะเนศควบคุมเสียงและหาเพลงพร้อมๆมาให้เราได้รับฟังกันดิฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณเพื่อฟังตีสี่ถึงตีห้าทางเอ 89.5 มแปดส้าจุห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีขอแสดงความยินดีกับบันดิตใหม่ทุกๆ ท, ท่านนะคะก็เห็นทุกๆคนนะคะยิ้มแย้มแจ่มจใสทรงภูมิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกัน ก็รู้สึกอิ่มเอมไปกับครอบครัวด้วยคลื่นลูกใหม่กำลังจะออกสู่สังคมด้วยคำว่าบัณฑิตมหาบัณฑิตเราก็จะมีคนที่มีความพร้อมสูงในเรื่องของสภาพวิทยาการต่างๆออกไปสู่โลกของการทำงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีก็เป็นแหล่งที่ ภูมิใจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปเยอะแยะในขณะที่คณาจารย์หลายๆท่านนะคะเดนเองก็อันข่าวอยู่บ่อยๆผลงานทางการวิจัยความสำเร็จทางเรื่องวิทยาการเนี่ยระดับโลกเลยนะคะก็ภูมิใจไปด้วยกับ โอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้สําหรับเรื่องราวที่นํามาฝากเป็นรายการเช้ามืดวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอะไรดีนะเอาเบาๆก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> จะได้ไม่รู้สึกว่าแหมคุณพนอ์มาถึงเช้ามืดตีสี่คุณก็จัดหนักมาเชียวไม่อยากจัดหนักนะคะอยากให้ทุกๆท่านเต็มตัวที่จะทํากิจกรรมต่างๆด้วยความสุขหลายคนก็อาจจะกําลังเหนื่อย อยากจะนอนเต็มทีและแต่ภารกิจยังไม่เสร็จในขณะที่หลายๆคนก็กำลังจะไปเปลี่ยนกะทำงานนะคะไม่ว่าท่านจะส่งกะเข้ากะหรือว่าจะได้พักผ่อนก็ตามนะคะเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของเราก็คือเรื่องกินค่ะ มีคนบอกว่านี่ถ้าไม่ต้องกินสะอย่างเดียวนะชีวิตทันก็แสนจะสุขสบายแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเรื่องของกินนะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทำให้เราต้องหันกลับมามองสมาชิกในครอบครัวเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยละคะ่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ เขาเรียกอะไรนะคะปิ่นโตถุงพลาสติกกล่องโฟมหรืออื่นๆคือฝากท้องไว้กับแม่ค้าเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเราเห็นข่าวๆที่เขาส่งกันมาเนี่ยไม่เท่ากับบางทีเราไปยืนเห็นเอง ลูกของโซเชียลที่ส่งมาเนี่ยบางทีเดียันก็ตกใจแม่ข้าวก็ปลอมไข่ก็ปลอมไอ้นู่นก็ใช้เท้าอันนี้ก็โอสกกระโปรกวางกับพื้นเชื่อได้หรือไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ทราบราคาแต่ชัวก่อนแชร์แต่สิ่งที่เราเชื่อถือกันได้เนี่ยก็คือความสะอาดของอาหารที่เราจะได้รับประทานกันดังนั้นนะคะถ้าสามารถทำได้เนี่ยทำอาหารรับประทานกันเองง่ายๆนะคะแล้วก็ ประหยัดด้วยบางคนบอกคุณพนอรจริงเหรอประหยัดโอ้โหต้องซื้อหมูเท่านั้นซื้อไก่เท่านี้ซื้อผักซื้อนู่นซื้อนี่ยะแยะมากมายไปซื้อเข้าวกินสามสิบสี่สิบอิ่มท้องแล้วก็มองคนละมุมนะคะคนที่สะดวกสบายกับการซื้อรับประทานทุกมือ้อก็โปรดเลือกในแหล่งอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยนิดนึงแต่เดินไปยืนดูเขาทากับข้าวขายสดเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาดข่าวที่เป็นสื่อต่างๆเนี่ยโอ้โหประเคีนชูรถเข้าไปเป็นช้อนในอาหารจานเดียวนี่ตกใจมากนะคะอย่าลืมว่าผงชูรสคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือชนิดหนึ่งคนที่เป็นความดันสูงอันตรายคนที่มีโรคประจำตัวก็อันตรายเพราะเป็นสารเคมีจะยี่ห้อดังดีเด่นสักเพียงใดก็ตามผงชูรสดิฉันก็เอาออกจากบ้าน เด็ดขาดมานานหลายปีแล้วนะคะเพราะเอาแค่ขวดน้ำปลาซีอิว้วขาวน้ำมันหอยซอสปรุงรสต่างๆนั้นก็มีผงชูรสปนอยู่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปสั่งอาหารสดๆรับประทานบอกเขาเลยค่ะไม่เอาชูรสาสารส์นะคะแต่ถ้าท่านรับประทานกินเองเนี่ยก็เลือกซื้อของสดที่สะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็ล้างเยอะๆโดยเฉพาะผัก ถ้าไม่มีน้ำยาล้างผักนะคะก็แช่น้ำส้มสายชูหรือเกลือแต่บางบ้านก็ใช้ภูมิปัญญาเดิมค่ะเอาน้ำสาวข้าวมาแช่ล้างนะคะโดยเฉพาะพวกผักที่เป็นใบหยิกๆเช่นผักกาดขาวปีหรืออะไรที่มันมีรอยย่นรอยพับของใบของต้นเยอะๆเนี่ยยิ่งต้องคลี่ออกมาทำความสะอาดเพราะหนึ่งสารเคมีตกค้างสองไข่พยาธค่ะ อันตรายจริงๆแล้วก็พยายามทำความสะอาดไปตัวของผักบางชนิดเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะรับประทานสดๆนะคะมีอะไรที่เป็นองความรู้พื้นฐานหลายๆอย่างซึ่งภูมิปัญญาเราส่งต่อมาให้นะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเวลาที่ไปรับประทานอาหารตามสั่งบางร้านเนี่ยเดีนอดนึกภาพไปถึงตลาดเวลาไปเดินซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ เขายืนหัน่นหมูเป็นกิโลกิโลหั่นไก่หั่นเนื้อหันน่นนู้ดนี่นั่นลงถุงเดนไม่เห็นเขาล้างเลยอะค่ะคุณผู้ฟังแล้วเมื่อเป็นชิ้นพร้อมปรุงขนาดนั้นแม่ค้าที่ซื้อไปต่อจะล้างไหมคะเพราะถ้าเขาล้างเขาจะบอกว่ามันจะทําให้เนื้อสัตว์เหล่านั้นจืดก็เลยฝากให้คิดตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกจะทํารับประทานเองจริงๆเนี่ยนะคะก็ ไปหาแหล่งของกินที่มันสะอาดสะอาดนะคะของกินริมถนนอร่อยนะคะชวนรับประทานแต่ถ้าไม่มีอะไรที่ปิดขี่ฝุ่นโนนนี้นั่นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเียงด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ให้เราระวังของทอดผักค้างคืนที่ผัดค้างคืน แกงกะทิอุ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำมันที่ใช้แล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสารก่อมะเร็งและโรคอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องของกินก็เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเราแต่ถ้าจะเอาแหล่งของกินที่อร่อยแล้วก็มีหลากหลายแล้วก็ขึ้นชื่อหรือชาแหล่งหนึ่งเนี่ยดรียนเองก็ติดใจนะคะแหล่งเนี้ย เดียนไปไม่ค่อยได้แล้วค่ะเพราะว่าอยู่ไกลบ้านเล็กเกินแต่ว่าเวลาที่ผ่านไปทางนั้นจะอดคิดถึงของอร่อยย่านนี้ไม่ได้รู้จักนางเลื้งกันใช่ไหมคะ นางเล้งของกรุงเทพมหานครนะคะต่างจังหวัดก็จะต้องเอาแหล่งที่ท่านอยู่ใกล้บ้านแหละค่ะในตลาดนางเลี้งเนี่ยเดือนจําได้ว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบกว่ากว่าอา่าวบอกอายุตัวเองไปเรียบร้อยเนาะเปล่าจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่ตลาดนางเลี้งค่ะเขาก็พาไปซื้อขนมรับประทานอร่อยๆนู่นนี่นั่นหลายอย่างพอปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรุ่นน้อง ไปซื้อขนมอร่อยมาให้กินเดนติดใจมากเลยคุณผู้ฟังคิดถึงตะโก้ที่ข้างล่างเป็นเผือกอร่อยออร่อยตัวตะโก้เนี่ยหวานมันเค็มแล้วก็ยังมีมันสำปะหลังเป็น เป็นตัวตะโก้ข้างล่างไม่ใช่หน้าตะโก้อีกโอ้โหอร่อยมากสมัยก่อนมีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมที่อยู่ฝั่งวัดโสมอีกโอ้โหมีแต่ของกินแสนอร่อยแย ะ, แยะนะคะขนมนมเนยข้าวปลาอาหารเพราะฉะนั้นแหล่งแบบนี้ทำให้เราคิดถึงฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มารวมกันแล้วพอคิดถึงตรงนี้ท่ันก็อดคิดไปถึงคุณมิชัยบัญชาพระเอกสุดหล่อขวัญใจมหาชน ไม่ได้นี่ถ้าท่านยังอยู่นะคะท่านก็จะรุ่นรุ่นของคุณสมบัติเมธานีคุณยอดชายเมฆสุวรรณยังเป็นรุ่นน้องนะคะคิดถึงนางเลิงก็คิดถึงคุณมิชัยบัญชาไปด้วยแล้วยิ่งตอนนี้มีละครที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนักบิน ที่ปักช่องนครราชสีมาก็อดคิดถึงคุณมิชัยบัญชาไปด้วยไม่ได้เพราะท่านก็ไปเรียนการบินที่นั่นด้วยเหมือนกันทำไมไดิฉันพูดถึงของกินการล้างสะอาดนั่นนี่นูน่นแล้วก็ผูกพันไปถึงคุณมิชัยบัญชาคุยไปถึงเรื่องหนัง คุยไปถึงเรื่องดาราคุณหผังคะชีวิตวัฒนธรรมมันไม่ได้มีอยู่มุมใดมุมหนึ่งในชีวิตของเราเสมอไปจริงไหมคะเห็นเอ็นี่คิดถึงเอ็นั่นเห็นเอ็นั่นคิดถึงเอ็นี่เห็นเอ็นี่คิดถึงเอานู่นเพราะฉะนั้นพอที่ฉันไปเห็นนางเรืงเดี๋ยวก็คิดถึงขนมกล้วยทอดตอนนี้ก็แหมนางเรืองก็จะมีแหล่งทอดกล้วยทอดออกมาขายตามไฟแดงนะคะก็คิดโยงไปถึง ใบแดงนี่คิดถึงอะไรได้อีกคิดถึงหนังสือพิมพ์ที่วางตลาดภาคบ่ายครั้งแรกคือตอนที่คุณมิชัยบัญชาตกเครื่องบินตายอ่ะคิดโยงไปได้แบบนี้อีกเดนจะบอกว่าภาพความคิดที่เรียนเชื่อมโยงแตกขนังไปนู่นนี่นั่นเนี่ยเด็กๆ เ, เขาจะเรียกว่าแผนภาพความคิดการเรียนสมัยใหม่เนี่ยนะคะ คุณครูเขาจะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พอคิดถึงสิ่งหนึ่งจะคิดถึงอะไรได้บ้างเรียนตั้งต้นที่ของกินเรียนก็ยกตัวอย่างนางเล้งเรียนก็คิดถึงเรื่องของการล้างผักการทำกับข้าวกินเองการไปหาแหล่งอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยเชื่อมโยงไปถึงตลาดสดซึ่งเป็นต้นของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นเครื่องปรุงรสอาหารต่างๆทั้งของสดของแห้ง นี่คือกระบวนการความคิดของคนรุ่นใหม่แต่ดเห็นถ้าพูดถึงภาพรวมแบบนี้คุณว่างนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าใครมีลูกหลานที่เรียนระดับประถมจะนึกภาพออกว่าคุณครูรุ่นใหม่เนี่ยเขาสอนแบบนี้จริงๆนะคะจะสอนเรื่องอะไรเขาก็ให้เขียนขึ้นมาเป็นคําแล้วถ้าเริ่มต้นจากคํานี้คิดถึงอะไรอ่าสมมุติพอของกิน ก็จะแตกแขนงไปไปเป็นกิ่งไม้ไปเป็นร่มไปเป็นกระตูนคือแยกสาขาออกไปเชื่อมโยงว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งเหล่านี้พอคิดไปเรื่อยๆเด็กก็จะเกิดความคิดลุ่มลึกกว้างไกลออกไปและทุกอย่างจะต้องเกิดจากองค์ประกอบที่มีเหตุมีผลเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันได้ด้วยผู้ปกครองหลายคนนึกไม่ออกลูกหลานทําอะไรช่วยไม่ได้เลย นะคะเดียงก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเช้านี้อยากจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็เลยตั้งต้นจากของกินเป็นสิ่งสำคัญปัจจัยในชีวิตประจำวันแล้วแหล่งทำมหาหากินนู่นนี่นั่นเพื่อถ้าคุณฝังไปเจอลูกหลานจนคิดไม่ออกว่าจะเชื่อมโยงความคิดยังไงเอาตัวอย่างแบบดิฉันนี่นแหละค่ะไปช่วยดูกันบ้านลูกหลานได้เออเียฉันเชื่อมโยงไปได้ยังไงเนาะตามภาษาสิ่งที่เคยอยู่กระเด็ก ตามภาษาที่เคยช่วยคิดกับครูก็เลยอืม้มขอบูรณาการชาวมืดวันนี้ก็แล้วกันนะคะดูจะเป็นยำใหญ่ใส่สารพัดเป็นนิดนึงแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการที่เขาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ จ, จนกระทั่งมีรูปภาพสวยๆเกิดขึ้นจะเป็นต้นไม้เป็นร่มเป็นอะไรไปดูลูกหลานทํานะคะแล้วก็ช่วยเขาออกแบบความคิด ช่วยเข้าตรวจการบ้านคุยกับเขาสร้างความอบอุ่นความใกล้ชิดแล้วก็ต่อยอดไปถึงสายสัมพันธ์กับการเรียนที่โรงเรียนด้วยช่วงแรกผ่านไปเรียบร้อยคุณทเนศส่งยิ้มมาบอกว่าผมพร้อมแล้วครับที่จะเปิดเพลงเพลงแรกให้แฟนแผ่นตการได้ฟังดังนั้นเชิญฟังเพลงแรกจากคุณธเนศค่ะ ฝนแรงแรงอยู่แรมปีขอนามใจให้รวงหล่นขอนามใจให้รวงหล่นอย่าสู้พืชผลรักที่สักทีฝนตกฝนตก บ, บ้านน้องแต่กลัามาร้องอยู่บาน I cry and I cry and I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 จสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653รายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนอด ร, รมเนียมยินดาเนินรายการนะคะวันนี้คุณะเนศควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันคุณผู้ฟังคะเช้านี้เจออะไรบนถนนหนทางบ้างเอ่ยเช้านี้ได้ฟังข่าวอะไรที่ให้ข้อคิดกับเราบ้างเมื่อก่อนนอนเราเห็นอะไรเป็นตัวอย่างทางโทรทัศน์บ้างเอ่ย สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ร, บรอบๆตัวเรานะคะมันคือชีวิตวัฒนธรรมแต่บางคนบางแง่บางมุมลืมเ ล, ลือนสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมลืมเลือนสิ่งที่เป็นความดีงามวันนี้ดิฉันก็ได้เห็น บทความนะคะเรื่องวินัยของชาติโดยพระราชยา น, นักวีปิยาโสพลวัดพระรามก้าการนาพิเศษกรุงเทพท่านเขียนเรื่องของวินัยของชาติรัดปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติคือประชาชนต้องไม่ทำลายธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ต้องช่วยกันรักษาต้องปลูกเพิ่มที่มีก็ห้ามตัดอันนี้คือหัวเรื่องแต่ ท่านจะพูดเรื่องวินัยของชาติเป็นรายละเอียดอย่างไรขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อที่เราจะได้เติมเต็มชีวิตของคนในครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักกันได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะทางตรงนี้ก็ต้องช่วยลูกหลานทากันบ้านสอนเขาทางอ้อมนี่ก็คือเราปฏิบัติเป็นตัวอย่างแล้วก็อาจจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนที่เรามีโอกาสช่วยเขาได้นะคะ พระราชนาักวีปิยาโสพลวัดพระรามก้าการจนาพิเศษท่านกลับถึงวินัยนะคะว่าวินัยทำให้เกิดระบบและจิตสำนึกที่ดีวินัยเริ่มที่โรงเรียนครูอาจารย์มีวินัยไม่ไรระบบนักเรียนก็มีวินยัยชาติใดไรวินยัยชาตินั้นจะอ่อนแอปกครองยากวินัยทำให้คนเข้มแข็งอดทนและเสียสละ ชาติที่ไรวินัยนับวันแต่จะเสื่อมถอยและล่มจมเหมือนกองทัพที่ทหารไรวินัยย่อมพ่ายแพ้แก่ข้าศึกศัตรูตั้งแต่ยังไม่ออกรบรัฐก็เช่นกันหากข้าราชการไรวินยัยนักการเมืองไรกฎกติกาชาติย่อมเสื่อมขาดความมั่นคงข้าพาเจ้าเคยเห็นคนมาหลายชาติชนชาติที่มีวินัยดีอย่างญี่ปุ่นแม้จะมีศึกสงครามเกิดขึ้นจนทาให้เขาเสียหายย่อยยับ แต่เขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสึนามิขึ้นที่ญี่ปุ่นก่อนเกิดสึนามิเริ่มต้นที่แผ่นดินไหวก่อนบ้านเรือนพังระเนระนาดพ่อเกิดสึนามิทำให้ทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองผู้คนล้มตายจำนวนมากตามมาด้วยการเตาปฏิกรอนปรามาณูรั่วการคมนาคมหยุดชะงักหิมะลงหนักคนขาดอาหารการติดต่อทุกอย่าง ทั้งคนเจ็บคนตายครวญครางอดโอยรัฐต้องรีบอบพยพคนออกและต้องส่งอาหารทางเครื่องบินผู้คนต้องต่อแถวเข้ารับอาหารจากองค์กรการกุศลของรัฐยังมีเด็กผู้หญิงตัวน้อยอายุเก้าขวบของญี่ปุ่นติดอยู่ในซากปรักหักพังเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ขาดอาหารและน้ำอาสาสมัครค้นพบอย่างไม่คาดฝันเด็กยังมีชีวิตลืมตาแปว๋วร้องขอความช่วยเหลือ อากาศหนาวเย็นมากหิวจัดเจ้าหน้าที่ถอดเสื้อของตนออกคลุ่มร่างนำเด็กออกจากซาประหักพังนั้นเด็กยืนต่อแถวเข้ารับอาหารเหมือนคนอื่นเจ้าหน้าที่เห็นว่ายังเด็กน่าจะนำอาหารสักห่อมาให้เด็กรับประทานก่อนเด็กก็รับแต่มองดูอาหารสักพักแทนที่จะจับอาหารใส่ปากก็วิ่งถืออาหารไปข้างหน้า เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างจ้องมองว่าเขาจะทำอะไรปรากฏว่าเขานำอาหารหนึ่งห่อที่ได้มานั้นไปกองรวมกันไว้กับกองอาหารส่วนรวมจากนั้นวิ่งกลับมาต่อแถวเพื่อเขารับอาหารเหมือนคนอื่นเรื่องนี้กำลังสอนเราว่าระเบียบที่ถูกฝึกจากบ้านจากโรงเรียนจากสังคมที่เด็กต้องเรียนรู้ทำให้เด็กอายุก้าขวบ เข้มแข็งอดทนมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมแม้จะเกิดอะไรวินัยจะช่วยชาติให้ผลนภยัยแม้ไม่เกิดอะไรชาติที่ไรวินัยจะล่มจมหัวข้อที่สองนะคะพระราชยานากวีพูดถึงการเสียสละค่ะเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านข้าพเจ้าได้พบครอบครัวหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเขายากจนมาก ไม่มีที่ดินอยู่อาศัยหรือทำกินเป็นของตัวเองเขามีกระท่อมหลังเล็กๆ เ, เป็นบ้านแต่อยู่ในที่ดินของคนอื่นเขามีลูกชายคนเดียวจบการศึกษาตามปกติลูกชายเป็นเด็กดีมีสัมมาคาระวะฉลาดมีน้ำใจข้าพเจ้าถามเขาว่าอบรมลูกอย่างไรทาไมดีอย่างนี้เขาบอกว่าเขาย้ากับลูกเสมอว่าเรื่องงาน เรื่องส่วนรวมสำคัญมากเราต้องช่วยกันเขาเน้นเรื่องราวของการลงแขกการออกแรงช่วยกันมีข้าวปลาอาหารก็แบ่งปันกันเขาบอกลูกว่าเราเกิดบนแผ่นดินต้องเสียสละรักชาติอย่าเห็นแก่ได้ห้ามคิดคดโกงผลงานของพ่อแม่อยู่ที่ลูกเขาทำสําเร็จคำสอนของพ่อแม่ครอบครัวนี้เริ่มต้นด้วยการฝึกลูกชายให้เรียนรู้อยู่สามข้อง่ายๆคือหนึ่ง ลูกจะโกหกไม่ได้ไม่ว่ากับใครถ้าจับได้จะต้องมีโทษสองเท่าสองลูกจะไปไหนมาไหนจะไปต้องลาจะมาต้องไหว้คือต้องบอกกล่าวให้พ่อแม่ทราบเสมอสามเมื่อพ่อแม่ให้เงินไปซื้อของเหลือเท่าไหร่ลูกต้องคืนเงินทอนเสมอจะถือวิสาสะเอาเงินทองไปเป็นของตนไม่ได้ หลักทั้งสามประการนี้ทำให้ลูกชายของเขาโตขึ้นมาเป็นเด็กมีจิตสำนึกดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมอย่างดีวันหนึ่งลูกชายบอกกับพ่อแม่ว่าอยากไปเป็นทหารพานตอบแทนคุณของชาติพ่อแม่ก็ยินดีเขาได้รับการฝึกหนักและถูกส่งไปรบที่นราธิวาสปรากฏว่าสามเดือนต่อมาเขาและเพื่อนทหารถูกระเบิดเพื่อนสามคนตายทันที ส่วนเขาบาดเจ็บสาหัสปางตายแต่ก็ยังมีสติพูดตอบโต้ได้บ้างขณะอยู่โรงพยาบาลมีสื่อมวลชนและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจำนวนมากทยอยไปเยี่ยมเขามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาตอบว่าไม่เป็นไรครับท่านผมสบายดีผมภาคภูมิใจมากที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินครั้งนี้ถึงผมจะไม่มีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเองแม้แต่ตารางนิ้วเดียว เหมือนใครหลายคนแต่ก็ยินดีเอาชีวิตทั้งชีวิตปกป้องคุ้มครองโฉนดที่ดินของคนทั้งประเทศให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขอีกเจ็ดวันต่อมาทหารกล้าผู้เสียสละท่านนี้ก็สิ้นลมนี่คือการเสียสละค่ะเรื่องที่สามพระราชยานนากวีปิยาโสพลกล่าวถึงการพัฒนาชาตินะคะท่านกล่าวว่า เริ่มต้นที่จิตสำนึกคือสร้างจิตสำนึกว่าธรรมชาติใหญ่กว่ามนุษย์มนุษย์ใหญ่กว่าเครื่องจกักรกลจิตสำนึกเพียงสามประการนี้ทำให้คนอเมริกันสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองไปได้อย่างถูกทิศทางเมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามได้เห็นถนนทนทางเป็นระเบียบผังเมืองงดงามผู้คนมีวินัยในการขับรถ ถนนความปลอดภัยในการอยู่อาศัยเงียบสงบบ้านไม่ต้องมีลูกกรงเหล็กไม่ต้องมีรั้วสูงใส่เหล็กแหลมเขตที่อยู่อาศัยกับเขตโรงงานแย ก, กกันชัดเจนเป็นความฝันของข้าพเจ้าที่อยากเห็นบ้านเมืองไทยของเราเป็นเช่นนั้นบ้างสาเหตุที่คนสหรัฐอเมริกามีบ้านเมืองที่สวยงามสิ่งแรกคือ รัฐปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติคือประชาชนต้องไม่ทำลายธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ต้องช่วยกันรักษาต้องปลูกเพิ่มที่มีก็ห้ามตัดรัฐต้องส่งเสริมให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันระบบน้ําเสียต้องดูแลอย่างเป็นระบบแปลว่าธรรมชาติต้องใหญ่กว่าคนต่อมาเรื่องความสาคัญของคน ต้องมาก่อนเครื่องยนต์กลไกราคาแพงจะเห็นได้ว่าเวลาเขาสร้างถนนใหญ่ให้รถวิ่งเขาจะมีทางเดินสวยงามให้คนเดินอย่างปลอดภัยมีต้นไม้ใหญ่เรียงรายมีดอกไม้สวยงามเคียงคู่กันไปทั้งเมืองคนต้องใหญ่กว่ารถยนต์เพราะคนผลิตรถยนต์มิใช่ให้รถมาเป็นนายแต่ให้เป็นอุปกรณ์รับใช้คนคนของเขาไม่กลัวรถ คนขับรถต่างหากกลัวคนเมื่อเห็นคนเขาจะหยุดแต่ไกลเพื่อให้คนเดินข้ามไม่ตกใจน่าอนากใจคนบ้านเราส่วนใหญ่คนไม่เข้าใจเรื่องนี้ขับรถไม่เคยสนใจคนข้ามถนนสร้างถนนไม่เคยสนใจทางเดินของมนุษย์คนเดินเดินได้รู้สึกมีปมด้อยคนขับรถหรูมีปมเด่นอวดดีทำเบ่ง ไม่สนใจกฎกติกามารยาทสังคมอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าสำคัญมากนั่นคือการจัดเขตพื้นที่ต่างๆล่วงหน้าให้ลงตัวทั่วทั้งประเทศอย่างน้อยที่สุดห้าเรื่องคือหนึ่งพื้นที่มนุษย์อาศัยสองพื้นที่สวนสาธารณะให้คนในชาติได้พักผ่อนหย่อนใจสามพื้นที่ามาค้าขายสี่พื้นที่ทาการเกษตร และห้าพื้นที่ทำโรงงานอุตสาหกรรมเวลานี้พื้นที่ทั้งประเทศขาดความชัดเจนปล่อยให้ปะปนกันอยู่อย่างไร้ระเบียบกฎเกณฑ์ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองถึงเวลาพัฒนาชาติอย่างเป็นระบบได้แล้วนี่คือเรื่อง วินัยของชาติโดยพระราชยานากวีปิยะโสพลวัดพระรามก้ากาญจานาพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะก็ขอกลับนมัสการพระคุณเจ้าที่เมตตาได้เขียนเรื่องราวนี้ไว้ในหนังสือของบ้านอารีนะคะซึ่งเป็นวารสารธรรมะแบ่งปันพบกับความสุขง่ายๆกับหนังสือดีๆที่ทำให้คนรู้สึกถึง ทุกลมหายใจของความสุขในชีวิตนะคะเป็นฉบับที่143นะคะอ่านแล้วก็อยากนำมาบอกต่อถึงจะเป็นเรื่องที่เราเหมือนรู้ๆกันอยู่แต่ว่าหลายคนก็ผ่านมันมาแล้วก็ผ่านมันไปจริงไหมคะนั่นและคะ่ะฟังเพลงเพราะๆจากคุณะเนศอีกสักเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่สามค่ะ เอาเถิดนาวานดำเอาตามทองนาเงินทองต้องหาทันยาเราเกียวเี้ยวเกี้ยวเขาเขาเกียวนาเดียว้ยสิพายซัอยู่ดินให้ไทยทุกคนเก็บกินเก็บทรัพย์สินของเราเราเกียวปูนพ้นแน่เทียวพืชพนของเราแห่งเดียวแน่จริงเจียวเลียว พ้องชนปุตมสมบูรณ์ทุกคนเราคอยเก็บผลเอาเถิดนาหวานดำเอาตามทอง เราดา ท, ท่านพี่หนาวจนสันส่นสะทานใจือน ที่หนาวใจนี่น้องเ อ, อ๋ยที่หนาวใจจะทำยางไรน่ะน้องเ อ, อ๋ยที่หนาวใจจะทำยางไรน่ะน้องเ อ, อ๋ยแม่เนื้ออุ่นแม่งามละมุนเจ้ารำกับที่ถึงจะหนาวกว่านี้ถึงจะหนาว ให้ตัวอกีสีงคงอุ่นเอให้ตัวอกีสิงคงอุ่นเอ่ยแสนอุ่นเอ้ยอบอบคุค่นจริงนะแม่สามเชยแสอุเอยอบอบอุ่นจินแม่สามชเชยลมเหนือพัดราวเหน็บหนาวทีวันคนลุกคนชันพี่หนาวจนสั่นสะท้านใจเอ่ย หนาวยิงเอ่ยหนาวจนใจสั่นสถานใจเอ่ยหนาวยิ่งเอ่ยหนาวจนใจสั่นสานใจเอ่ยหนาวให้ห่มผ้าหนาวฟาิงไฟหนาวผู้หญิงอยิงนผู้ใหญ่หนาวผู้หญิงคอยยิงน้าผู้ใหญ่แต่ที่หนาวใจนี่น้องเอ่ย ที่หนาวใจจะทำยังไรน่ะน้องเอ๋ยที่หนาวใจจะทำยังไรน่ะน้องเอ๋ยถ้าแม่เนื้ออุ่นแม่งามละมุนเจ้ารำกับพีถึงจะหนาวกว่านี้ถึงจะหนาวกว่านี้นนไอ้ตัวอกพีสิคงอุ่นเอ๋ยไอตัวอกพีสิคงอุ่นเอ๋ย ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 ในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนทธรรมเนียมอินอยู่เป็นเพื่อนคุณตีสี่ถึงตีห้านะคะชาวมืดของทุกๆวันเสาร์เราพบกันเป็นประจำทางเอฟเอมปดสิบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีคืนนี้ อ้อต้องบอกว่าเช้ามืดวันนี้คุณธเนศควบคุมเสียงนะคะแล้วก็หาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันบางทีดิฉันก็จะเผลอๆตัวนะคะเพราะว่าเริ่มมาจากรายการครั้งแรกเนี่ยเป็นช่วงกลางคืนค่อนข้างจะดึกแล้วก็มาหัวค่ําแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นเช้ามืดเช่นนี้นะคะก็เลยยังไม่คุ้นกับเสียงนก no. จิบจิบ เสียงไก่ขันสักเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงเนี่ยอยู่บ้านก็เริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าถึงจะง่วงยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าพอถึงเวลามันจะตื่นไปทํางานเนี่ยมันตื่นเองโดยอัตโนมัติแล้วก็บางทีนะคะเจ้านกทั้งหลายมันก็มาปลุกอยู่ข้างๆหน้าต่างห้องอะคะ่ะเราจะได้ยินเสียงมันมาร้องปลุกจิ๊บจิ๊บจับจับเน้นโชคดีนะคะเป็นบ้านที่อยู่ชัน้นชานเมืองเพราะฉะนั้น ช่วงหน้าหนาวเนี่ยคุณผูฟังเดิฉัน ย, ยังได้ยินเสียงเจ้านกกระว่าเลยนะคะได้ยินเสียงนกกระแขนที่บ้านก็จะมีนกหลายๆชนิดยังเห็นเจ้านกเขาเดินกันเป็นคู่คู่นกเขาไทยตัวเล็กๆอะคะ่ะที่มันเดินเคลียค์คอกันนะคะส่วนเจ้านกพิราบฝูงใหญ่นี่โอ๊ยอยากให้มันไปจากบ้านจังเลยไม่ทราบจะทํำยังไงนะคะเพราะว่ามันบินไปทั่วเลย บินบินบินบินไปพอตรงไหนมีแหล่งอาหารมีลานกว้างๆมันก็บินลงมาเฮอบากใจเหมือนกันนะคะแต่ชีวิตกับธรรมชาติก็ต้องอยู่คู่กันนะคะเหมือนที่เดนได้อ่านให้คุณผู้ฟังฟังไปเมื่อสักครู่แต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะมีเช้าปันหยุดมีช่วงเวลาที่ไปแต้มสีให้ชีวิตไปหากาไรให้กับชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวหรือกับ เพื่อนกับคนที่รู้ใจกับคนที่คุณรักไปเที่ยวกันบ้างก็ดีนะคะเดนมักจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวเฉยๆก็มีความสุขแบบหนึง่งแต่ถ้าเราไปเที่ยวด้วยแล้วได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมไปด้วยมันก็ยิ่งเป็นกําไรชีวิตมากยิ่งขึ้นเวลาดิฉันไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยบางที ทงที่ปักว่าจะไปเที่ยวมันอาจจะเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นโอ้ยอยากไปตรงนี้เพราะโอ้วิวสวยโอ้ตรงนั้นมีของกินอร่อยหรือเพื่อนเขาบอกกันเน่มันมีแหล่งที่เราจะคลอยตามเยอะมากมีแรงจูงใจหลายประการแต่ว่าคุณหวังค้าเดียนชอบสเสน่ห์ยอย่างหนึ่งของทุกๆุกพื้นที่นั่นก็คือชื่อค่ะชื่อชื่อของสถานที่แต่และสถานที่เนี่ยบางทีมันมีที่มานะคะ สาคอนบุรีทะานเดียนบอกว่าคุณฟังคะวันนี้เราไปสาคอนบุรีกันเถอะคุณฟังจะไปไหนเอ่ยขอบคุณสำหรับคนที่ตอบว่าจังหวัดสมุทรสาคอนสาคอนก็น้ำบุรีก็เมืองใช่ไหมคะสาคอนบุรีพอมาเป็นสมุทรสาคอนอ่าเราก็ยังนึกถึงได้สมุรทรสงครามเอเคารพกันขนาดจะต้องเป็นเมืองสมุทรขนาดนั้นเลยเหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่า แต่ก่อนเนี้ยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะเข้าขึ้นที่ปากอ่าวแม่กลองจริงๆนะคะแล้วก็ยกพลขึ้นบกไปผ่านเมืองสมุทรสงครามไปทางปากท่อแล้วก็ไปตามเส้นทางต๊ดๆไปรถไฟสายมารณะอนุนด้นมีร่องรอยที่เคยฟังตาเล่าว่าตอนพวกญี่ปุ่นแพ้สงครามอะคะ่ะ เขาก็ต้องหลบหนีเพื่อจะลงเรือที่ปากอ่าวแม่กรองเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดเขาแลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีหมดเพื่อประทังชีพตาบอกว่าเป็นภาพที่น่าสงสารมากเลยบางทีปากกาแพงแพงดีๆของเขาว่าขอแลกกับมรกรลูกหนึ่งอาวุธยุโทโรธปรกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยทิ้งลงปากอ่าวแม่กลองหมดนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นไปได้เนาะว่าเขาตั้งชื่อสมุทรสงครามเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเอ้าคนสมุทรสงครามช่วยตอบมาด้วยนะคะว่าดิฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าเอ่ยแต่พอพูดถึงแม่กลองเอ้มีกลองรอยใหญ่อะไรหรือเปล่าแต่สัญลักษณ์อยู่ที่ทางเข้าสมุทรสงครามเป็นกลองรูปเบลเลอร์เลยนะคะทีนี้พอเราจะไปเที่ยวดอยอินทนนต์ดิฉันก็เพิ่งไปนะคะดอยอินทนนต์สักปีก่อนเห็นคําว่าอ่างกา เออทำไมชื่ออ่างกาก็ไปอ่านในหนังสือก็เจอว่ามีอ่างน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีอีกาฟงใหญ่เลยนะคะที่มันไปกินน้ำเขาก็เลยเรียกว่าอ่างกาผู้เรือทำไมเรียกว่าภูเรือเขาบอกว่ามีส่วนหนึ่งของภูเขาลูกนี้มีสันฐานคล้ายๆกับหัวเรือของเรือสำเภาก็เลยเรียกว่าผูเรือ อ้าวจากนั้นไปภูกระดึงกันบ้างเอ๊ะกระดึงเกี่ยวอะไรนอะกระดึงก็คือระฆังชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสันฐานของภูกระดึงเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนระฆังควม่มแล้วข้างบนก็เป็นพื้นราบที่เราเดินเล่นกันได้เป็นรัศมีไกลๆนะ่ะนั่นแหละจึงเรียกภูกระดึงอันนี้คือ สเสน่ห์ของชื่อต่างๆที่เราพบเห็นพอไปเที่ยวที่ไหนทำไมชื่ออย่างนี้ล่ะคะอะเขาก็จะเล่าให้เราฟังเนาะที่มาที่ไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ชื่อสถานที่ก็ตั้งมาจากชื่อของบุคคลได้ชื่อห้างก็อาจจะมาจากเจ้าของที่เจ้าของห้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเป็นเสน่ห์มันเป็ น, น, น, ปนวิถีวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาคุณฝ่งอาจจะบอกวันนี้คุณพอนอเริ่มต้นด้วยของกินพอมาจบก็เรื่องของ ชื่อค่ะมันมีอะไรอีกหลากหลายแง่มุมที่เป็นความงามในชีวิตวัฒนธรรมดิฉันผนอธรรมเนียมอินก็ขอรับหน้าที่ไปสรรหามาเล่ามาฝากมาชวนคุณฟังไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้แล้วไม่รู้จะไปไหนคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะบอกว่าฝนตกขับรถลำบาก แต่คนในกรุงเทพมีเส้นทางให้เลือกสะดวกสบายเยอะตอนนี้ที่คือหา ก, กันแล้วคนไปเที่ยวเยอะก็เห็นจะไม่พ้นสถานีรถไฟใต้ดินที่ไปโปรแถวเยาวราชไปถ่ายรูปกันสวยๆงามๆแล้วบางคนก็อยากไปมุดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหแค่คิดว่าเขาเก่งกาศกันขนาดนี้ดิฉันก็ยังอยากไปเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะไปมุดแม่น้ำเจ้าพระยากันหรื อ, อยังเอ่ย เขาทําได้ยังไงเนาะโอ้ทั้งดินทั้งคลื่นใต้น้ําทั้งแม่น้ําอุ้หูขุดลงไปได้ยังไงแล้วทํางานกันกี่ปีแล้วจนวันนี้มีอุโมง์ยักษ์ที่ขบวนรถไฟมุดใต้น้ําไปได้คนอื่นทําได้เราก็ทําได้นี่แหลคะค่ะชีวิตวัฒนธรรมคุยกันมาก็จะหมดเวลาแล้วนะคะคงจะต้องเตรียมตัว ลากันเพียงนี้คุณฟังติชมรายการกันได้นะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเอเ 89.5 แห่งนี้รายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนอธรรมเนียมอินเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้คุณธเนศควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิตทองเงา ควบคุมาการนะคะวันนี้เราสามคนลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สาวหน้าขอให้เช้า ว, วันนี้เป็นเช้าที่ดีและมีความสุขของทุกๆุกคนนะคะสวัสดีค่ะรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 แม่เธอได้ยินคาวอนหัวใจ าลแม่เธอได้ยินคำวอนหัวใจให้อ่อนชื่นชมเหัวใจให้นิยมสอรักเธอรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w ร์ไวย r m u t t a c t h หรือติชมรายการได้ที่ a c e b o o k c o m /rmutt.radio หรือทางลายออฟ i ิเชียล @rmutt.radio